โคปาลสูตรนายเลี้ยงโคสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกสุตสงหมูใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวะออกจากทางแล้วเสด็จเข้าไปยังโคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งที่อาสนะอันบุคคลปูลาดไว้แล้วครั้งนั้นแลนายโคบาลคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นายโคบานนั้นเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพร่าเริงด้วยธรรมีกถาสมัยก่อนเนี่ยเขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเขาเห็นแจ้งสมาทานอาถารร่าเริงด้วยธรรมีกถาสมัยนี้ก็เหมือนกันเห็นแจ้งบอกยุตยังไงแจ้งเลยใช่ไหมบอกว่าได้เวลาเลิกแล้วทําไมมันแจ้ ง, งงั้นก็ไม่ทราบเขามีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนพอบอก ได้เวลาฟังทำแล้วมันซึมซึมซึมซึมซึมบอกเลิกแค่นั้นน่ะแจ้งเลยอย่างเงี้ยนะจำเล็กเคยเป็นรึเปล่าเป็นเนาะจำเล็กเป็นพยานให้แล้วครั้งนั้นและนายโคบาลนั้นอ่ะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจ้งให้เห็นแจ้งอาให้สมาทานให้อาธารให้ร่าเริง ด้วยทรรมีกถาและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุษเนียภาพลำดับนั้นแล่นายโคบาลนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหลีกไป พอล่วงราตรีนั้นไปนายโคบาลสั่งให้ตกแต่งข้าวปลาญาติมีน้ําน้อยและสับ ป, ปิใหม่อันเพียงพอข้าวปลายาดก็คือตรงนี้ใช้น้ํานมเนี่ยเป็นแทนน้าเนี่ยนะโต้หงต้มใส่น้ําน้อยแล้วก็มีเนยสับ ป, ปิใหม่ก็คือเนยใหม่นั่นเองใช้เนยเป็นต้นน่ยนะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ประณีตที่สุดแล้วในยุคนั้นอนะนะ ในนิเวศของตนถึงเวลาอาหารแล้วก็กราบทูลพัฒการแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงเวลาแล้วพัดเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาศกแล้วก็ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายโคบานพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วประทับนั่งที่อาสนะที่เขาปูร่าถวาย ลำดับนั้นแลนายโคบาลอังคาศภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยข้าวปลายาติมีน้ําน้อยและสัติใหม่ให้อิ่มน้ําสําราญด้วยมือของตนมีบุญจริงเนาะเนี่ยนะได้ทําบุญกับ น, นะพระพี่ปฏิบัติ ด, ดีตามตามพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจท่านเหล่านั้นก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยนะก็เป็นผู้ที่มีศรัทธา น, นะนายโคบาล น, นี่ก็เป็นพระโสดาบันด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกับพระอริยะ นะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนะก็ควรกการอนุโมทนาอย่างยิ่งนะเรานี่บุญน้อยไว้จดีไปก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสวย์เสร็จชักพระหัตจากบาดแล้วนายโคบาลถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นายโคบาลนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป น, นะเขามีบุญจริงเลยนะใหะ้ฟังธรรมฟังธรรมเสร็จก็ให้ทานให้ทานก็ฟังธรรมมีบุญมากนะนะคือต่างจากสมัยนี้สมัยนี้ก็ฟังเยอะนะมันต่างกันเนี่ยนะมันฟังเหมือนกันนะได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ว่าสมัยนั้นก็ฟังจบแล้วเขาบรรลุอะ่ะสมัยนี้ก็ฟังแล้วก็เอาได้บุญ สังสมุปนิสัยสิเนาะวุ้ยท่านเหล่านี้ที่บรรลุในสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เหมือนเราเนี่แหละเราอนาคตต่อไปเดี๋ยวก็เหมือนท่านเหล่านั้นแหละใช่เหรอดใจรอท่านหน่อยเนี่ยนะอย่าเลิกกันแล้วกันครั้งนั้นแลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเหล็กไปแล้วไม่นานบุรุษคนหนึ่งได้ปลงชีวิตนายโคบานนั้นในระหว่างเขตบ้านตายเลยนะทำบุญเสร็จก็ตายดีนะได้ทําบุญก่อนตาย ไม่ใช่เมาก่อนตายแล้วยุ่งเลยนะไปทําบาปมาก่อนตายเนี่ยนะน่าหนักใจลําดับนั้นแลพิสูจมากด้วยการเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่านายโคบาลังคาตพิสูจน์ทรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ําสําราญด้วยข้าวปายาติมีน้ําน้อยและสัปปิใหม่ด้วยมือของตอนในวันนี้แล้ว ถูกบุรุษคนหนึ่งปลงชีวิตเสียแล้วในระหว่างเขตบ้านตายไปแล้วเนี่ยนะทำบุญเสร็จก็ตายนะคือตายนี่มันตายแน่แต่มันตายเวลาไหนวันไหนเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็ถือว่ามีบุญมากที่ได้ทำบุญก่อนตายเป็นพระโสดาบันก่อนตายหลังนั้นพระองค์ก็ทราบเนื้อความนี้แล้วแป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าโจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจกแล้วทาความชิบหาย หรือความทุกข์ให้เพราะว่ามหาโจรเจอมหาโจรที่เป็นคู่ศัตรูเก่าใช่ไหมเป็นเรียกว่าคู่เวรมาตั้งแต่บรรทบุรุษเรียกว่าตระกูลจองล้างจองผลาญกันเนี่ยนะฝันสั่งสมสสเสบียงกําลังถ้าไปเจอกันแล้วจะห้ําหั่มกันขนาดไหนใช่ไหมก็หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรแล้วพึงทําความชี้ภายหรือความทุกข์ให้อะ น, นะผูกเวรกันมานานแล้วนะอยากจะเจอหน้ากันจะได้สัดกันเต็มที่เลยนะฉันใด จิตที่ตั้งไว้ผิดพึงยังเขาให้เลวกว่านั้นนะแสดงว่าสาระเป็อยู่ที่การตั้งจิตใช่ั้ยการตั้งจิตเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่ามหาโจรเจอมหาโจรอีกแล้วนั้นในอัตถกถามีการอธิบายเรื่องราวโดยลำดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเสด็ จ, จาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่เนี่ยนะ คำว่าภิกษุสองมูใหญ่ก็คือใหญ่โดยคุณธรรมบ้างแล้วก็ใหญ่โดยจํานวน น, นะภิกษุสงอง ท, ที่ติดตามพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะเยอะมากและโดยมากก็เป็นพระอริยะกันเนี่ยนะโดยมากก็เป็นพระอริยะโสดาบันสกาธาคามียนาคามีและพระอรหันต์เป็นต้นมูภิกษุสองเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ทัดเทียมกันเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิโปองคก็เสด็จไปจนถึงโน้นอัญญตะโรคโคปาละโก จนถึงสถานที่ที่ใกล้คนเลี้ยงโคเขเลี้ยงโคเนี่ยนะรักษาฝูงคนรักษาฝูงโคคนหนึ่งชื่อว่านายนันทะนันทะนันทะแปลว่าเพลิดเพลินใช่นายเพลินได้ยินว่านายนันทะนั้นเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากรักษาฝูงโคของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนะหลีกเลี่ยงการกดขี่ของพระราชาโดยทําตัวเป็นคนเลี้ยงโครัรกษาทรัพย์ของตน เหมือนเกณฑนิยชาดินหลีกเลี่ยงการกดขี่ด้วยเพศบรรประชาฉะนั้นรวยมากเบื่อภาษีทีนี้จะหนีภาษีนี่ทํำยังไงบอกก็แกล้งจนซะเล ย, ยนะประกอบอาชีพเลี้ยงวัวให้เศรษฐีดีกว่าแต่รวยมากเลยนะนายโคบานคนนี้เรียรวยมากก็อีกคนหนึ่งเนี่ยนะก็รวยมากไม่ต้องการให้เสียภาษีทำยังไงก็เลยแกล้งบวชเป็นชาดินซะกลางวันแต่งตัวแบบรูสีกลางคืนก็อยู่กับบุตรภรยา ป, ปกติกลางวันก็มาแต่งตัวแบบเนี้ย เด็กเลี้ยงภาษีนะสมัยนั้นแสดงว่าข้าราชการไม่ฉลาดเลยนะพวกสัมพักรไม่ฉลาดแต่ว่าสมัยนี้ ท, ำทำําทําทำยังไงก็ไม่รอดเขานั้นถือปัญจโครสเนี่ยนะปัญจโครสมีอะไรบ้างปัญจโครสก็คออือรถที่เกิดจากโคก็คือนมนมสดนมนมส้มเปรียงเนยใสย เ, เนยข้นแล้วก็เนยใส นนะก็จากนมสดเป็นนมส้มจากนมส้มเป็นเปรียงจากเปรียงก็เป็นเนยข้นจากเนยข้นก็เป็นเนยใสยถ้าเขามีการกลั่นอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นหัวเนยใสอนนี้ก็เอาเฉพาะปัญจาโครก็คือนมอนมสดนมส้มเปรียงเนยข้นเนยใสยเนี่ยไปส่งใครส่งท่านมหาเศรษฐีคืออนาถาบินธิกเนี่ยนะ พอมอบอปัญจาโครถให้เศรษฐีแล้วก็ไปยังสํานักของพระศาสดาพบพระศาสดาฟังธรรมอ้อนวอนพระศาสดาเพื่อเสด็จมายังที่อยู่ของตน น, นะ ก, ก, ก็ห่างจากตรงนั้นพอสมควรนะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปทางโน้นบ้างไปโปรดทางโน้นบ้างพระศาสดารอความแก่กล้าแห่งยานของเธอนัอ่นแหละนะรอให้อินทรีย์เขาแก่กล้าคู่ควรแกม่มนุ ก, ก่อนภายหลังทรงแวดล้อมด้วยภิษสุสง่งหมูใหญ่เสด็จจาริกไปใน ชนบททราบว่าบัดนี้เธอมีญานแก่กล้าแล้วจึงเสด็จแวะลงจากทางไม่ไกลแต่ที่เธออยู่ประทับนั่งนักโคนไม้แห่งหนึ่งรอการมาของเธ อ, อนนะผู้มีบุญมีปัญญาแบบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยดินกนะ็เรียกว่าไม่มีคำว่าเสียเปล่าใช่ไหมหมายว่าไปแล้วก็สำเร็จเขาสามารถบรรลุมรรคผลได้ฝ่ายนายนันทะทราบว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จจาริกชนบท ไปจากนี้จึงหันสาร่าเริงรีบเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมอันพระศาสดาทรงกระทาปฏิสันถานแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่ใช่เจอละเทศทั้งปีนะไม่ใช่ถึงการก็มีการสนทนาปราศาัยนะถามสารุตกสุขเด็บกันตามธรรมเนียมทั่วไปก่อนลําดับนั้นพระศาสดาทร ง, สทรงสแสดงธรรมแก่เธอสแสดงธรรมคืออะไรประกาศอริยสัจให้แก่เธอ เธอดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลบรรลุเลยนะสาธุอนุโมทนาด้วยที่จริงนะใครอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะทำบุญอะไรไม่เป็นอ่านว่าใครบรรลุกว่าอนุโมทนากับเขาบ้างหรเฮ้อ ใ, ให้มันมีส่วนส่วนกับเขามัาง่งยังไรู้จักอนุโมทนากับเขาบ้างสิทําไมมันแห้งแล้งแบบนั้นยังไงใครเคยอ่านนะอนุโมทนาสาธุสาธุตามนั้นบ่อยๆนะโอ้มีหลายคนนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าได้อยู่ห้าเปอร์เซ็นต ก็เสร็จแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าถวายข้าวปายาตทาบุญเจวันเลยในวันที่เจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำมอนโมธนาและเสด็จหลีกไปแต่น่าคิดตรงที่บอกว่าตอนที่พระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งสมาทานอ่านหารร่าเริงด้วยธรรมีกะถาที่บายว่าบทว่าสันทัศเสสิความว่าพระองค์เมื่อทรงแสดงธรรมมีกุศลเป็นต้น แล้วก็วิบากของกรรมแสดงโลกนี้โลกหน้าโดยประจักษ์โดยในเป็นต้นว่าทมเหล่านี้เป็นกุศลทมเหล่านี้เป็นอกุศลกุศลก็คืออะไรกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทวิบากของกุศลกรรมบทวิบากของกุศลกรรมบทเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ในเวลแล้วก็แสดงอนุปพิกาทานศีล ส, สวรรค์โทษของกรรมแล้วก็แสดง เนคคำมะเนี่ยนะสรุปอริยสัจอันนี้เขาเรียกว่าทําให้เห็นแจ้งให้เห็นแจ้งในอริยสัจนะฟังแล้วต้องฟังจบต้องเข้าใจอริยสัจเนี่ยนะฟังจบแล้วไม่รู้เขาพูดอริยสัจไหนก็ไม่รู้นึกไม่ค่อยออกเลยถ้าอย่างนี้ล่ะแสดงว่ามืดจริงๆเลยนะเรียกว่าแสงสว่างมาส่องแล้วยังไม่เห็นอะไนั้นนะยังมองไม่เห็นรูปอีกอั้นฟังจบเนี่ยทุกสูตรเนี่ยฟังแล้วต้องฟังให้เป็นอริยสัจ ก็ไม่เห็นบอกว่าทุกสมุรทรนิโรธมรรคแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอริยสัจให้ต้องให้ต้องให้เขาพิมพ์ทุกสมุรทรนิโรธมรรคด้วยสิจริงจะเห็นอริยสัจใช่ไหมวิธีคิดง่ายๆเนี่ยนะว่าคําไหนที่ประกาศทุกขาริยสัจนะก็บอกว่าช า, ชาติชรา ม, มรณาโสกกาปริเทวะทุกขโทมณตอุปาญาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นต้นคําเหล่านี้ให้รู้ว่านี้คือทุกขสัจ ง่ายถ้าตันหาอากุศลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกรรมอันนี้ให้รู้ว่ากลุ่มสมุทยัยสัจจะหรือความสงบความดับความคลายกำหนัดให้รู้ว่าเป็นนิโรสัจจ ะ, จะถ้าพูดปัญญากูศลวิตกสัมมาวาจาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นมัคสัจจะเนี่ยนะท่านก็จะมีรหัสบอกในนั้นว่านั่นเป็นอริยสัจในนั้นนะนะก็อ่านให้เป็นอริยสัจก็แล้วกันฟังก็ฟังให้เป็น เป็นการฟังอริยสัจเนี่ยนะว่าจบแล้วต้องจบลงที่อริยสัจอแล้วทานเป็นอริยสัจข่อไหนทานทานทานเป็นอริยสัจหรือเปล่าทานก็เป็นอุปนิสธรรมบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอุปนิสัยให้รู้อริยสัจอา้าวการให้ทานก็ตั้งนะยมพาพาพาคนให้ทานว่าไงนะ อ, อ, อีทางเมทานังนนอาสวัคยยาวหังนิพานังโหตูอะไรงี้ยนะบางคนก็พาว่าอย่างเงี้ยอีทางเมทานังเขบอกว่าทานทั้งหมดเหล่านี้อาสวัคยยาวหังนิพานังหตูจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะธรรมพระนิพานให้แจ้งเป็นปัจจัยให้พระนิพานกว่าไปเขาก็มีหลายหลายกลุ่มที่พาพาทำบุญและตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพานเนี่ยนะแต่บอกว่าตั้งให้ทานและตั้งความปรารถนาว่ารวย มันก็ถือว่ายังเหมือนกับว่าอะไรซื้อข้าวสาธุขอให้ซื้อข้าวได้แล้วกินอิ่มขอแค่นั้นถามว่าพอไหมดีไหมอย่างว่าก็ซื้อข้าวมาขอให้กินอิ่มซื้ออาหารอร่อยอร่อยจะได้กินอิ่มตั้งความปรารถนาขอให้มีข้าวกินอิ่มเนี่ยนะถามที่จริงควรจะคิดว่าอิ่มแล้วจะเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรชั้นใดาการให้ทานเนี่ยผลของการให้ทานก็กินอิ่มนอนหลับโดยธรรมดาของเขาอยู่แล้วล่ะ เพราะฉะนั้นควรตั้งความปรารถนาว่ากุศลที่เกิดจากการให้ทานนี้จงเป็นปัจจัยให้แทงตลอดอริยสัจอันนั่นแหละจะเป็นปัจจัยแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยนะบทว่าสมาธาเปสิกความว่าให้เธอยึดเอายึดถือเอารร ม, มีศีลเป็นต้นเอ๊ะททั้งปวงไม่ควรยึดมั่นตรงนี้บอกให้ยึดเอารร ม, มีศีลเป็นต้นต่างกันไหมต่างยังไงที่อื่นบอกว่า สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทมทั้งปวงเธอไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนี้บอกให้ยึดเอาศีลอีกแล้วขัดกันไหมขัดหรือไม่ขัดทำไมจึงไม่ขัดอะไรงานอะไรงานใครจะออกมาเล่าให้ฟังบ้างคือ <c ười> <c ười> ให้เธอตั้งอยู่ในธรรมมีศีลเป็นต้นโดยนว่า <c ười> เพื่อบรรลุสัจจะให้เธอเออเธอให้ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในตน คำว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็คืออย่าไปยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่าเป็นอัตตาอย่าไปยึดแบบนั้นเพราะอะไรพอยึดว่าเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงยึดว่าสุกมันก็ไม่ได้สุกจริงยึดว่าเป็นอัตตามันก็ไม่ได้เป็นอัตตาจริงเมื่อ <ME G> มันไม่เป็นอย่างที่ ess, ยึดแล้วไปยึดมันทําไมเนี่ยนะนี่ความหมายของว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอย่าไปยึดมั่นว่าเที่ยงว่าสุกว่าเป็นอัตตาแต่ขณะเดียวกัน หมายคําว่าถ้าเราจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งถ้าไม่ยึดเรือไว้จะดําไงประจมน้ําตายสินี่ก็เหมือนการถ้าเธอเห็นโทษว่าฝั่งนี้เนี่ยนะที่ยึดไม่ได้ว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาเธอก็ควรหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ข้ามน้ําไปซะเพราะไม่ไม่สมควรจะยึดใช่ไหมคือพิจารณาดูแล้วยึดไม่ได้ซักอย่างข้ามไปเธอแต่เธอต้องอาศัยเรือเรือคือศีล แแ่คืออรอยิยมรรคเพื่อจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องยึดศีลยึดศีลเพราะว่าศีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาศีเลนะนิพุติยันติเนี่ยนะเพราะศีล น, นี่แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญให้บรรลุพระนิพพานเพราะฉะนั้นให้ยึดเอาศีล น, นะยึดสมาทานศีลยึดธรรมมาสมาทานสุตะจาคะสมาทานปัญญายึดถือสมาทานอธิศรริลสิกขาที่จิตตสิกขาและ อธิปัญญาศิกษาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนั้นฟังให้เข้าใจนะฟังจนเข้าใจวันนี้ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคไอสิ่งที่ต้องยึดในในสี่อย่างมีอะไรมัางฟังจนเข้าใจอริยาศาสตร์สี่เลยทั้งนัหนึ่งทุกสองสมุทยัยสามนิโรธสี 4, ม่มรรคอะไรควรยึดเอาอะไรเอ่ยควรยึดอริยมรรคควรยึดเนี่ยนะทุกควร ทุกเ น, นี่ยควรกําหนดรู้ก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นในทุกให้ละสมุทยัยทำนิโรธให้แจง้งแต่มรรคเนี่ยต้องสมาทานต้องถือเอาจริงๆเลยนะถ้าไม่สมาทานเอาอารยมรรคจะออกกากทุกได้ยังไงออกจากทุกไม่ได้อยู่แล้วก็จําไว้นะว่าอารยมรรคเนี่ยอธิปไต ย, ยโถเนี่ยเหมือนตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยโภล่ขคนที่บรรลุอริยมรรคไม่ใช่งอยไม่มีอะไรตริดตัวในใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะ มีแต่ความเคราอยู่ในใจนี่ไม่ใช่มันเขามคีคุณธรรมอย่างอื่นที่นําออกจากกองทุกข์จริงๆเนี่ยนะมันก็กุศลธรรมคือศีลเป็นต้นนี่แหละที่ปฏิบัติยึดถือแล้วเนี่ยเพื่อบรรลุสัจจะเพราะฉะนั้นให้เธอเนี่ยเธอควรทําธรรมะเหล่านี้ให้เกิดในตนควรให้ศีลนี่เกิดในตนให้สมาธิเกิดในตนให้ปัญญานี้เกิดในตนเขาเรียกโอปะนยิโกใช่ไหมโอปะนยยิโกแปลว่าอะไร แปล ว, ว่าน้อมเข้ามาใส่ตนก็คือน้อมให้เกิดในใจของตนท่านนิพพานอะโอปะนัจโกว่าอย่างไงน้อมใจของตนเพื่อทําให้แจ้งเนี่ยนะน้อมใจของตนเพื่อให้รู้แจ้งนะได้แล้วเห็นแจ้งสมาทานอาฐานสมุเตเชสิก็บอกว่าที่เรียกว่าอาถานเนี่ยนะทรงให้ธรรมะเหล่านั้นที่สมาทานแล้วอ บ, บรมโดยลําดับ อันเป็นส่วนแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้มีความเข้มแข็งเข้มแข็งมากแต่และสละสลวยให้อาถานโดยชอบคือให้รุ่งเรืองโดยชอบทีเดียวโดยประการที่จะนำมาซึ่งอริยมรรคโดยพลันเขาก็มีบางกลุ่มนะเขาพูดมีครั้งหนึ่งก่อนที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะตายจะสิ้นพระชนนเ่นะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าว่า ข้าพระองค์เนี่ยได้ไปเห็นพวกนักบวชลทัทธิเดรัตีแต่ละคนเนี่ยนั่งจ้องเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งนะจำไม่ได้แนละ้วโรคอะไรคล้ายๆว่าโรคพวกผ อ, อมเหลืองอะนะเป็นโรคผอมเหลืองนั่งอยู่ในป่าวันเหมือนกับว่าท่านเนี่ยหมดอะไรตายอยากในชีวิตจริงๆอะนะงอยแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่มาเห็นภิกษุสงสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยอยู่ในป่าอย่างมีความสุข อยู่ด้วยความร่าเริงอยู่ด้วยความน่าชื่นตาบานมีความสุขมากต่างจากลทัทธิเดรัทธีที่เหมือนกับว่าเราอยู่ไปวันๆหนึ่งให้มันหมดวันๆไปอันนั้นคือความต่างกันเดรัทธีอยู่ป่ากับสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันต้องอดหานทาด้วยความกล้าๆเข้มแข็งจริงๆเลยนะกล้าๆอดหารเข้มแข็งแค่ไหนให้ เข้มแข็งสมควรที่จะบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะต้องเอาให้มันคู่ควรแก่การตรัสรู้เนะี่ยทำด้วยความจริงจังจริงๆไม่ใช่ทำแบบอะไรนะหงอยเงาซึมเศร้าเสื่องซึ ม, ซมยังกับป่วยอะไรสักอย่างนึ่นะขาดวิตามินสักอย่างนึงอย่างนั้นนะพร้ อ, อมเหลืองไม่ใช่บทว่าสัมหังเสสิความว่าทรงทำให้ร่าเริงด้วยดี โดยทําจิตให้ผ่องแผ้วด้วยการแสดงภาวะแห่งภาวนามีคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเบื้องต้นคือกุศลธรรมเบื้องปลายคืออริยมรรคนั่นเองมันการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต้องเห็นแจ้งสมาทานอา่านแล้วก็ร่าเริงเนี่ยนะร่าเริงทำด้วยความสุขสมมานัตทำด้วยคือทําแบบคนที่รู้รู้อ น, นิสงส์จริงๆเนี่ยนะ รู้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็บอกว่าทําไมคนเราจึงไม่ทําความเพียรเขากันเขมีผู้ถามทําไมจึงไม่ทําความเพียรทําไมไม่ขยันทําไมไม่ตั้งใจจริงทําไมไม่ทําก็เพราะไม่เห็นแจ้งจะไปทําได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเลย ว, ว่าตัวเองทําไปทําไมใช่ไหมก็ให้ทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําดูสิหรือสิ่งที่เราไม่รู้อา น, นิสงส์เหมือนกับการเดินทางอ่ะนะ ไม่รู้จะไปไหนไปทําไมฟังก็ไม่รู้จะไปทําไมนั้นก็ไปด้วยความเว้นไว้แต่นักเดินทางอ่ะนะแต่ถ้าปกติธรรมดานเนี่ยไม่รู้ว่าไปทําไมเนี่ยก็ไปแบบคนไปไปอย่างนั้นแหละเนขาชวนก็ไปไปกับเขาไปซึมๆเซ่ซซซๆอๆองนั้นแหละไปแต่ร่างกายไม่ได้ไปพร้อมกับจิตวิญญาณเนี่ยนะอาจิตวิญญาณค้างไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อหนพูดแบบภาษาก็บอกว่าไปแบบคนที่อาลัยอาวร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไปแต่ร่างกายใช่ไหมแต่ไม่ได้เอาใจไปด้วยคือไม่ได้ตั้งใจจะไปจริงๆ ที่ไม่เป็นอย่างนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่รู้อ น, นิสงค์ของการกระทาที่แท้จริงเพราะนั้นความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นเขาเรียกว่าฟังให้เห็นแจ้งก่อนให้มันเข้าใจให้มันชัดๆเลยนะชัดแค่ไหนหละคะนี้เข้าใจให้มันชัดๆเลยนะชัดแค่ไหนเนาะชัดเหมือนกับว่าไม่กว่าก็เหมือนกับเห็นด้วยตาอนะไรให้มันชัดเท่านั้นได้ยิ่งดี จนกว่าความเข้าใจไม่มีคําว่าสับสนเลยจะพูดจากมุมใดมาหามุมไหนก็ไม่สับสนไม่สับสนเพราะไม่สับสนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสมาธเปสติก็คือยึดเอาจริงๆเลยแห ล, ละก็จะมีการกระทําแบบแบบทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจก็สังเกตดูนะคนบางคนที่เห็นผลกําไรจากการงานเนี่ยทำจนแทบจะไม่หลับไม่นอนเลยทำไมจึงทําเอาขนาดนั้นเพราะเห็นกําไรอยู่ร่บรอ ที่ปฏิบัติธรรมที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติเอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่เพราะไม่รู้ผลและกําไรฟังเขาพูดก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้เข้าใจแบบนั้นจริงๆเมื่อไม่เข้าใจก็เลยไม่ยึดถือเอาไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆเนี่ยนะนั้นก็ทําเผื่อเลือกนะนะเผื่อเขาว่าครัถ้ามันดีจริงอ่ะนะเราก็ได้ติดไม้ติดมือถ้าไม่ดีจริงเออเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายใช่ไหมนั่นแหละเผื่อเผื่อผิดเผื่อถูกบร้องแบเสร็จหมดนะ ถ้าถูกนะเราก็มีอะไรติดไม้ติดมือถ้าไม่ถูกก็ไม่ได้เสียเสียหายอะไรมากมายเสียแค่นี้ๆน่อยๆอะไรเนี่ยก็เลยทําใจแบบนั้นเพราะไม่เห็นแจ้งก็เลยทําแบบเล่นๆทีนี้ทําแบบเล่นๆเนี่ยทำแล้วพร้อมจะเลิกด้วยนะไม่ใช่พร้อมที่จะทําต่อไปเพรมันถ้ามีโทรศัพท์กริ๊งหนึ่งกลับทันทีเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะนั้น น, นนะพร้อมที่จะมีธุระพร้อมที่จะไปจัดการงานวันเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องศึกษาประทามเรื่องคิดประทำเป็นเรื่องหมายคําว่า หมดเวลาเรื่องอื่นก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องนี้หมายความว่าค่าเวลาไปรันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทําแบบคนที่อทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะทําเผื่อเลือกอย่างที่ว่าเนี่ยนะทำเผื่อผิดเผื่อถูกไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างงี้นะแล้วบอกว่ขอให้ศาสนาเจริญจะไปเจริญได้ยังไงก็รวันล่มจมอยู่แล้วล่ะจมจากใจใครเนาะสาธุ ข, ขอจะได้เป็นข้าปเจ้า <c oughs> โอยถ้าเป็นอย่างนั้นน่าสงสารตัวเองเลยเนาะ อีกอย่างหนึ่งในข้อนี้เพิ่งทราบการชี้แจงด้วยบทบรรเทาสัมโมหะบรรเทาสัมโมหะคืออะไรเห็นแจ้งคือบรรเทาความโง่นะเลิกโง่ในธรรมะที่มีโทษและหาโทษไม่ได้คื อ, อเห็นแจง้งคําว่าเห็นแจ้งคือเลิกโง่เลยเข้าใจเลยว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุ ท, ทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคเนี่ยเข้าใจจริงๆเลยนะ อันนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเข้าใจหมดเลยแต่บางคนไม่เข้าใจแล้วสำคัญว่าเข้าใจอันนี้ก็น่าหนักใจเหมือนกันนะบางคนได้ฟังแล้วหนักใจเมื่อไงบอกเขาเข้าใจหมดเลยเขาบอกกันไม่รู้เข้าใจว่าอะไรก็ไม่รู้ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเขาเขาเข้าใจหมดเลยนะรู้ไปทุกเรื่องหมดก็เลยแปลกใจมากเลยว่าทําไมเข้าใจอะไรมากมายขนาดนั้นอนะแต่ว่าครั้งเดียวก็ก็เลิกแล้วไม่รู้เข้าใจว่ายังไงก็ยังงงอยู่ ต่อไปการให้สมาทา น, นนะนะพอเห็นแจ้งเข้าใจจนกําจัดโมหะรู้อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรผลเป็นทุกข์อะไรให้ผลเป็นสุขแยกออกแยกว่าทุกข์คืออะไรสมุ ท, ทยัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรทุกควรกําหนดรู้แค่ไหนสมุทัยต้องละยังไงนิพพานต้องทําให้แจ้งยังไงมรรคต้องเจริญยังไงระดับระดับขั้นตอนวิธีการเจริญเป็นยังไงเข้าใจหมดเลยพอเข้าใจวิธีการเจริญก็สมาทานใช่ไหม ส, สมาทาน สมาทานที่จะเจริญเอาจริงที่จะปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาบรรเทาความประมาทในสัมมาปฏิบัติก็ไม่ประมาทและเอาจริงเอาจังแล้วทีนี้ก็ทําด้วยการให้ทําอาฏฐานคือบรรเทาถึงความคร้านแห่งจิตเนี่ยนะและความร่าเริงด้วยสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะเรียกว่าทําด้วยความตื่นตัวเต็มที่ไม่ใช่ทําด้วยความซึมด้วยความเศร้าทําด้วยความร่าเริงเพราะเห็นคุณของ สัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเพื่อการสําเร็จในการปฏิบัติด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงดํารงอยู่ในสาโสดาปฏิพลด้วยสามุกิกังสามุกังสิกะธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าอะไรสามุกังสิกะธรรมเทศนะแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเองคืออริยสัจนั่นแล เพราะฉะนั้นพอพระ อ, องค์ประกาศอริยสัจบรรลุเลย น, ยนยีบทว่าที่วาเสสิความว่าถ้าองค์ผู้อันนายโคบาล น, นั้นผู้มีสัจจะอันเห็นแล้วคือคือฟังธรรมจบเห็นแจ้งในอริยสัจเห็นอริยสัจบรรลุโสดาบันก็เลยทูล น, นิมนต์โดยนายเป็นต้นว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่าพระองค์ก็รับแต่เป็นการรับโดย ดุสดียภาพคือไม่ทำกายวาจาให้ไหวรับรับด้วยรับด้วยใจนะว่ารับทราบรับรู้นะว่ารับที่จะไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนิ่งแปลว่ารับแต่ถ้าพูดยังใดยังหนึ่งอะ่ะแปลว่าปฏิเสธเนี่ยนะถ้าปฏิเสธก็บอกว่ายาเลยเป็นต้นก็จะปฏิเสธแต่ถ้านั่งเฉยๆเงียบๆเนี่ยแปลว่ารับเนี่ยนะนะก็เตรียมอาหารถวายอาหารเสร็จ พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จล้างบาทในล้างมือในพระหัตพระพุทธเจ้านะฉันล้างมือในพระหัตเรียบร้อยเลยก็นั่งในอาสนะในที่ไม่สูงเขาบอกว่าการถือเอาอาสนะในที่ไม่สูงแล้วนั่งบนอาสนะนั่นแหละเป็นจารีตของผู้อยู่ในอารยะประเทศเขาบอกว่าถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาอาสนะต่ำๆไปนั่งใกล้กับพระพุทธเจ้าบอกคนที่อารยะคือเจริญแล้วก็จะทํากันอย่างนั้นก็เธอนั่งในที่ใกล้อาสนะอันทําด้วยแผ่นกระดานที่จัดไว้อุปจาระ ใกล้ๆปราชญ์แปลว่าใกล้นะในสำนักพระพุทธเจ้าทำมิกถายะเป็นต้นก็หมายเอาอนุโมทนาที่พระองค์กระทำในวันที่เจ็นะฉันวันที่เจ็ดก็กระทำอนุโมทนาได้ยินว่าเธอนิมนพระผู้มีพระภาคเจ้าและพิกสุสงในที่นั้นตลอดเจ็วันเพื่อบำเพ็ญมหาทานนะโอ้ทำได้ไงเนาะทำไมเราไม่ได้ทำอย่างนั้นบ้างบูไปทาอะไรอยู่ไม่รู้นะตอนนั้นนะ เขาไม่ได้ปริณิาพานอะไรเนาะแต่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็ในวันที่เจ็ดก็ถวายมัทุปายาตมีน้ำน้อยพระศาสด า, ากระทำอนุโมทนาแล้วสเสด็จหลีกไปเลยเพราะเธอไม่มีญาณแก่กล้าเพื่อมรักชั้นสูงในอัตภาพนั้นชาตินั้นไม่ได้บรรลุอะไรเพิ่มอีกแล้วเรียกว่าทาบุญมาอุปนิสัยเพื่อให้เป็นพระโสดาบันถ้าจะบรรลุมรักสูงต้องรอชาติต่อไป บทว่าสีมนตริกายะในระหว่างแดนคือในระหว่างบ้านนั้นได้ยินว่าชาวบ้านอาศัยสะแห่งหนึ่งได้ทําการทะเลาะกับเธอเธอก็ข่มพวกชาวบ้านนั้นแล้วก็ยึดเอาสะนั้นนะเขาถือว่าเขามีอํานาจมากนายโคบานเลี้ยงโคนะทีนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องน้ําพวกเลี้ยงโคก็จะมีอะไรก็ทะเลาะกันเรื่องน้ําเรื่องหญ้านี่แหละนั่นก็นี้ก็ทะเลาะกันเรื่องน้ำเนี่ยนะพวกน้ําโคเป็นต้นเพราะเหตุนั้นชายคนหนึ่งเนี่ยนะชายคนหนึ่งที่แพ้เรื่องน้ําำนะ ก็เลยผูกอาฆาตใช้ลูกศรยิงฆ่าเธอผู้ถือบาดของพระาศาสดาตามไปส่งไม่ไกลเธอคื อ, คอระหว่างที่เดินทางไปส่งพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะพอถวายบาดให้พระพุทธเจ้าเสร็จพระองค์ก็บอกว่ากลับเธออุบาสกเธอก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําปทักศิณกระทําอัญชลีภิกษุสง์แล้วประคองอัญเชลีอันรุ่งโรดด้วยทศนขะสมุทาน ถ้าสาบแปล ว, ว่าสินะข่าแปล ว, ว่าเล็บสมอทานแล้ ว, ว่าการประชุมการประชุมเล็บทั้งสิบเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรก็ยกมือไหว้หมดเลยฟังตั้ยากหมดเลยนะก็ยกมือไหว้จนพระพิสูจ์สองอจนพระพุทธเจ้านิเสเด็ดกระทั่งรับตาแล้วกลับไปแต่ผู้เดียวในอรญญารยประเทศในระหว่างนั้นก็เลยถูกยิงเลยใช้ลูกศรยิง ภิกษุทั้งหลายผู้ล่าช้าด้วยกรณียกิจบางอย่างไปทีหลังเห็นนายโคบาลตาย น, นะถูกยิงตายก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอตมัถังวิธิตวาทรงทราบเนื้อความนี้ว่าเพราะเหตุที่บุรุษผู้ฆ่านันทะอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิขวนขวายแต่อนันตริยกรรมซึ่งไม่ใช่บุญมากมายก็ คนนี้ผูกเวรมานานแล้วนะหาช่องหาจังหวะหาโอกาสมานานวันนี้เพิ่งประสบโอกาสที่เหมาะเนี่ยนะก็เลยแอบซุ่มแล้วก็ดักยิงทีนี้ไอตอนที่ผูกเวรทะเลาะ ก, กันยังไม่ได้เป็นพระโสะดาบันแต่ทะเลาะ ก, กับคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าตอนได้ฆ่านี่ฆ่าพระโสะดาบันเท่ากับขวนขวายในอนันตริยกรรมแปลว่าให้ผลในชาติเลยชาติหน้าเลยถือว่าเป็นอนันตริยกรรมแต่ว่ากรรมที่ให้ผลในลําดับ นันเกรรมแปล ว, ว่ากรรมที่ให้ผลในลําดับหมายความว่าชาตินี้ชาติหน้าให้ผลเลยเพราะฆ่าพระโสดาบันฉะนั้นจิตที่ตั้งไว้ผิดของสัตว์เหล่านี้ย่อมกระทํากรรมอันร้ายแรงกว่ากรรมที่โจรกับคนผู้มีเวรทำแก่กันเรียกว่าเจ้าพ่อเจอเจ้าพ่อเข้นฆ่ากันก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดน้อมไปเพื่อจะฆ่าพระอริยะเนี่ยนะ มันจิตที่สมาทานที่จะจองล้างจองผลาญพระอริยะนี้มีโทษมากจริงๆอย่างสุนัขข่าิชชวีบุตรนี่ก็ผูกเวรในพระพุทธเจ้าหาเรื่องพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงกลุ่มเดีรถีทั้งหลายที่หาเรื่องกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะกล่าวข้างหน้าอีกนี่ก็เหมือนกันนายคนนี้ที่มุ่งฆ่านันทโคบานผู้เป็นอริยสาวกเนี่ยนะจิตที่คิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เลวร้ายมากเนี่ยนะ เป็นเป็นจิตที่ตั้งไว้ผิดจริงๆมันไม่รู้จะผิดว่ายังไงแล้วเนี่ยนะเพราะตั้งตั้งตั้งแบบนี้คือตั้งตัวเองเพื่อไปนรกเนี่ยนะตั้งตนไปนรกไปเปรตไปอสุรกายไปเดรัจฉานไปเพื่อประสบทุกข์เป็นต้นแทนที่จะยังจิตให้เลื่อมใสใช่ไหมรู้จักอะไรนะรู้จักรู้จักแพ้รู้จักชนะบ้างนะกลายเป็นว่าไปผูกเวรไปผูกเวรแทนที่จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสแสวงหาโอกาสที่จะให้ทานสมาทานศีลทําตรงกันข้ามหมดเลย เมื่อทำตรงกันข้ามแทนที่จะสมาทานทางไปสวรรค์ก็สมาทานทางไปนรก น, นะทิ้งทางบุญไปเดินเอาทางบาปทิ้งทางถูกไปเดินทางผิดทิ้งทางแห่งสวรรค์นี่พ่านไปถือเอาทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาดนรกเ น, นี่ยนะมันจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยร้ายแรงที่สุดถือว่าเสียหายที่สุดไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่ากับความคิดอีกแล้วโดยเฉพาะความคิดที่ตั้งไว้ผิดๆ น, นะเช่นพวกตั้งไว้ผิดบอกพระใจบิดกยากเกินไป ไม่เห็นอ่านก็เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องเป็นต้นเน่ยนะเรื่องอ่านดีกว่าเป็นต้นไอ้พวกนี้ก็ตั้งจิตไว้ผิดเหมือนกันนะมันเกี่ยวอะไรกันเลยนะจริงก็เกี่ยวนั่นแหละพวกนี้ก็ตั้งจิตไว้ผิดด้วยนะตั้งจิตไว้จะไม่อ่านตั้งจิตไว้อะไรก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละนี่มาดูว่าที่โสที่สังก็เรียกว่าโจรโจกเห็นโจรโจกแปลภาษาไทยว่ามหาโจรเจอมหาโจรเนี่ยนะหมายความว่าคู่เวรเจอคู่เวรก็ทําความโวอดวายให้แก่โจรหรือคนมีเวร โจรเจอโจรเนี่ยนะตระกูลหนึ่งขาตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งาตระกูลหนึ่งนะคนมีเวรเนี่ยนะผูกเวรกันใช่ไหมหาช่องหาโอกาสประทุษร้ายฝั่งนีงน้หาโอกาสประทุสร้ายฝั่งโน้นฝั่งโน้นห า, อาโอกาสประทุษร้ายฝั่งนี้เนี่ยนะหาเรื่องแบบพวกวัยรุ่นอ่ะ น, นะวัยรุ่นหมู่บ้านนี้ทะเลาะกับบ้านโน้นบ้านโน้นทะเลาะกับบ้านนี้ก็อยู่กันนั่นแหละเขาบอกว่านน โจรผู้มักปะทุสไรมิดคนหนึ่งผิดในวิญญาณหน้ากั๊ซับและอวิญญาณหน้ากั๊ซับมีบุตรพริยานาสวนโคและกระบือเป็นต้นของโจรคนหนึ่งตนผิดต่อโจรใดเห็นโจรแม้นั้นผิดในตนเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละก็หรือว่าอันนี้เอานี้ก่อนวิธีปะทุสายอีกฝั่งหนึ่งก็ทำยังไงก็ปะทุสายในวิญญาณนกัซับอวิญญาณหนกัซั เช่นว่าโจรฝั่งหนึ่งไปทะเลาะ อ, อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจะต้องทําลายนาสวนอันนี้เรียกว่ า, าวิญญาณกะทรัพย์จะต้องทําลายเผ า, านามันให้ได้ต้องเผาบ้านให้ได้เผ า, เาสวนมันให้ได้เป็นต้นบอกไม่ก็ต้องฆ่าเมียมันฆ่าลูกมันนะฆ่าแพะแกะกระเบืออะไรก็แล้วแต่จะฆ่าได้คล้ายๆกับโจรคนหนึ่งที่ที่ผูกเวรกับเศรษฐีท่านหนึ่ง น, นะก็เลยตอนแรกก็เผานาก่อนเจครั้งเผานาก็ยังไม่สะใจตัดขาโคในคอกอีก ในที่สุดก็คิดจะฆ่าท่านเศรษฐีคนนั้นะนะนี่ก็เหมือนกันโจรเหล่านี้ก็เหมือนกันเพราะตั้งเวรไว้ว่าจะต้องประทุษร้าอีกฝั่งหนึ่งให้ได้สร้างความเสียหายที่สุดเท่าที่จะทําลายฝั่งนั้นให้ได้ะนะคล้ายๆกับเนี่ยเมื่อข่าวที่ได้ยินบ่อยๆก็คือเผาทําลายทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งเท่าที่จะทําได้อันนี้เรียกว่าใจที่ตั้งไว้ผิดเพื่อที่จะผูกเวรสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนมีเวร เห็นคนมีเวรด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะคือคือมันหาช่องหาโอกาสที่จะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งกระทำความโวดวายให้แก่ผู้มีเวรหรือพึงเบียดเบียนบุตรพระยาหรือว่าพึงปลงเขาเสียจากชีวิตเพราะความที่ตนเป็นคนหยาบช้าทารุณอ่ะนะมันไมามันเอากันจังเลยนะจิตที่ตั้งไว้ผิดอ่าพูดถึงเดี๋ยวอะไรนะ พวกที่ตั้งจิตไว้ผิดผูกเวรเนี่ยนะเห็นข้างหน้าี๋ยวเรื่องสุปปาพุทธ ก, กุฏิเนี่ยนะโคที่ขิดพาหิยะธารุเจริเนี่ยนะคนเนียโคโคตัวเน่เนี่ยนะเกิดมาทำบาปจริงๆเขาผูกเวรมาหลายชาติแล้วเขาตั้งจิตว่าเขามีเขามีเรื่องอะไว่าลูกเศรษฐีสี่คนเนี่ยชวนหญิงสโสเพณีคนหนึ่งไปเที่ยว พอไปเที่ยวเสร็จโสเภณีสมัยนั้นรวยมากเนยนะนะก็มีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองตู้ทองเคลื่อนที่ไปเยอะเนี่ยนะไปเยอะทีนี้พวกนี้ก็ก็ดินเล่าอะไรตามภาษาสําเร็จเสร็จก็บอกว่าก็ปรึกษากันว่าถ้าเราชิงเอาทรัพย์ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเราจะมีเงินทเที่ยวต่อไปอีกเยอะเลยก็เลยคุยกันไปคุยกันมาอ่ะโอเคค่าทิ้งซะเนี่ยนะนะก็เลยค่าทีนี้ผู้หญิงที่เป็นโสเภณีนี่มันแค้นมากเลยนะบอกพวกนี้นํามาสมสู่เราแล้วยังไม่พอยังฆ่าเราอีกก็เลย ชาติใดปางใดใครพบเห็นที่ใดก็ฆ่าอย่างเดียวก็ผูกเวรไว้ตอนหลังก็โ <c oughs> สเพณีเนี่ยมาเกิดเป็นยักษ์หรือเกิดเป็นอมนุษย์เนี่ยนะมาชฆา่าฆ่าพวกเนี่ยผูกเวรฆ่ามาหลายชาติแล้วพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยชาติเนี่ยได้ฆ่าพระอรหันต์หนึ่งฆ่าพระอนาคามีหนึ่งแล้วก็คือฆ่าพระพาหิยะทารุจริยะก็คือฆ่าพระอรหันต์ใช่ไหมฆ่าปกุศสาติก็คือฆ่า พระนาคามีฆ่าเพชฌฆาตขาวแดงอีกคนหนึ่งและฆ่าใครอีกคนหนึ่งนะเพราะฆ่าสีคนสุปปุผูทเนี่ยพระโสดาบันฆ่าคนมีศีลหนึ่งฆ่าพระโสดาบันหนึ่งฆ่าพระนาคามีหนึ่งฆ่าพระอาหารหนึ่งนะเพราะผูกเวรไว้ในชาตินั้นที่จริงในตอนผูกเวรเหมือนจะสมควรใช่ไหมนี่สิมันขม่มมันชิงทรัพย์เราขมคืนเราอะไรเราสารพัดเนี่ยนะก็ต้องสมควรกับการผูกเวร ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันมันดูเหมือนเหมาะสมแต่ว่าตอนมาชาติสุดท้ายนี่สิเนี่ยนะมาฆ่าเพชฌฆาตราวแดงผู้ได้อนุโลมยานาผู้ได้ยานระดับสูงด้วยนะฆ่าสุปปาผู้ท้าพระโสดาบันฆ่าปกุศสาติอนาคามีฆ่าพระพาหยะพระอรหรันเนี่ยนะโทุกครบชุดเลยนะแล้วจากอบายสู่อบายอีกนานเท่าไหรน่นเนี่ยคือโทษของการผูกเวรมันจิตที่ตั้งไว้ผิด ตั้งไวในการทําอกุศลกรรมบทเนี่ยเลวยิ่งกว่าโจรเจอโจรอีกว่างั้นน่ยมหาโจรที่จองล้างจองผลานกันไม่ได้เลวเท่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนะตั้งไว้บอกชาตินี้ถ้าต้องฆ่าให้ได้ใช่ไหมใ ค, ใครดูหนังจีนมากๆพวกนั้นจะเป็นอย่างนั้นเลยมันฆ่าพ่อเราเราต้องฆ่ามันให้ได้เลยนะต้องกันไปข้างหนึ่งแคนกันอยู่นั่นแหละนะเขาบอกว่ามันปล้นเราเร า, เราต้องเอามันคืนบ้างนะมันรักของของเราเร า, เราต้องเอามันคืนบ้าง หรือตั้งจิตไว้สมาทานว่าจะต้องทํากาเมกับคนนั้นให้ได้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้มันตั้งจิตไว้ผิดทั้งนั้นน่ะจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยเลวร้ายมากเลยนะไม่มีอะไรจะเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะโจรที่ประทุสร้ายกันนะ่ะมันเค้นฆ่ากันกเฉพาะชาติเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดในอกุศลกรรมบทสิบนี้ทําให้เขาถึงความวอดวายในปัจจุบันชาตินี้ก็เสียหายแล้วนะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเป็นต้นยังทรัพย์ไปสู่อบาย ทุคติอบายสีเนี่ยนะไม่ให้เงยศีรษะได้แม้แสนอัตภาพแปลว่าตกอบายไปเป็นแสนชาติเนี่ยนะเนี่ยนะจากอบายสู่อบายจากอบายสู่อบายเนี่ยไปเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาทํำยังไงได้นี้จะหลุดมายังไงกันนี้โอ้อยากนะใครจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราคนนี้เดนเดรฉานแล้วก็อนุโมทนาไม่ได้อีกอย่าไปทําบาปเลยเนาะสะรุปแล้ว